เรื่องศาสนาท่านตั้งไว้ว่าปฏิยัตคือการศึกษาเล่าเรียนตามตหรับตาราแบบแผนแล้วก็มีการปฏิบัติมีการปฏิเวทถ้าไม่ปฏิยัตคือไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาเสียก่อน ปฏิบัติก็ไม่ได้เมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะเกิดปฏิเวทมีสามจุดเท่านี้แหละในศาสนาที่ตั้งไว้แต่ว่าท่านถ้าหากว่าปฏิบัติในปริยัตยิการนี้เรียนอะไรปริยัตยิเรียนก็เรีย น, นศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือว่า การรักษากายว่าใาใจสมาธิก็คือทำใจให้แน่วแน่ปัญญาเขือม ร, ร, รู้แจ้งแทจริงในสัจธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่าปยัติปฏิบัติครานี้ปฏิบัติคือข้อปฏิบัติน้อยใหญ่ทั้งขวงมด การปฏิบได้ถึงจุดหมายปลายทางคือต้องการถึงปฏิเวศน่าเรียกว่าปฏิบัติปฏิเวศเมื่อปฏิบัติแล้วยังจะรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เรียกว่าปริยัตยน่าเรียกว่าบัญญัติที่พาการศึกษาเราเรียนอยู่โดยความเข้าใจเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเหตุผลของสามอย่างคือปิยาตปฏิบัติปฏิเวศ ท, ทั้งสามอย่างนี่แหละไม่ใช่ของจำกัดที่จะต้องพูดสามอย่างให้ลาดบโดยลำดับอย่างนั้นตลอดไปของสามอย่างพูดอะไรขึ้นก่อนก็นับหนึ่ง อย่างปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวช น, นี่เป็นสามหากว่าจะพูดใหม่ปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็ได้เหมือนกันหรือหากจะพูดปฏิเวทปฏิบัติปริยัติก็ได้เหมือนกันไม่มีผิดถ้าตามเหตุผลแล้วต้องเป็นอย่างนั้นท้าไมยังต้อง เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนี่จังต้องเปลี่ยนอย่างนั้นหรืออาตมามีเหตุผลอย่างนี้ต้องปฏิบัติเส็ดก่อนยังค่อยถึงปฏิเวทถึงปฏิเวทแล้วจึงค่อยมาบัญญัติเรียกปฏิยัติถ้าไม่ปฏิเวทไ ม, ไม่ปฏิบัติ ไม่ถึงปฏิเวทแล้วบัญญตัตไม่ถูกทั้งหมดเขาอยูยอญญ่ไหนคําสอนปฏิเชียที่บัญญัตได้ด้วยเหตุนี้ธรรมาจึงว่าปฏิบัติแล้วยังเข้าปฏิเวทความรู้แจ้งเห็นจริงน่นจาจังหว่าบัญญัติต่างๆจึงเป็นปริยัตทับส น, นอย่างนี้ให้เข้าใจให้ให้ดีเป็นเรื่องทับย์สนกันคือว่าเคยถือมาแล้ว ปริยาติปฏิบัติปฏิเวศเคยถือมาแล้วแต่ไหนแต่ไรมาค้ทาที่ตมาพูดถึงความจริงมันต้องปฏิบัติแล้วยังค่อยปฏิเวศยังค่อยมาบัญญตัติเรื่องทำต่างๆจึงบัญญัติถูกถ้าไม่งั้นบัญญัติไม่ถูกปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะต้องเราเรียน ยังค่อยปฏิบัติได้เรียนไม่เรียนก็ต้องปฏิบัติพระพุพทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนภาษาวงอัคสาวกทั้งหลายท่านเรียนที่ไหนทำวินัยไม่ได้บัญญัติหรืออะไรก่อนถ้าปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถึงค่อยมาบัญญัติ อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นโดยลําดับแล้วก็บัญญตัติก็ไม่ใช่ของไม่เป็นจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างองบัญญัติแต่แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วใครมาใครเมื่อมาสุดท้ายที่หลังนี้ครับที่บัติตามคําสอนวุติเจ้ถ้าหาก ถือวัญญตชนั้นเรียนแล้วถือวั ญ, ญตัตชนั้นปฏิบัติไม่มีหวานจะถึงปฏิเวทเหรอกเขาความถือธรรมะขํงสามพระเจ้าถือแล้วไม่ไม่ถึงความจริงต้องทิ้งเสียก่อนตำรานั้นต้องทิ้งเสียก่ อ, น, อนที่เรียนมาต้องทิ้งเสียก่อนแล้วยังค่อยปฏิบัติ รู้แจ้งเห็จริงแล้วจังค่อยเอาตำรามาเทียบเคียบตกลงว่าตำรานีเมื่อปฏิบัติจริงๆแล้งจังแล้วทิ้งเก็บเลยเก็บเข้าตู้เลยต่อเมื่อปฏิเวทแล้วจังค่อยเอามาอ่านถึงค่อยเข้าใจ ผู้เรียนปริญญาติมีความรู้กว้างขวางเฉลียวฉลาดสามารถพูดได้ชาญฉานชัดเจนเพราะเรียนคำพูดส่วนนักปฏิบัติไม่ค่อยชาญฉานแต่พูดของจริงเป็นจริงอันนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติแต่ขาเนี ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าจะอยู่ให้คนอยู่ไหนอยู่ป่าอยู่โลกอยู่บ้านอยู่เมืองคนชาติไหนประเทศไหนก็ตามเถิดปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดีควบคุมหลุดพ้นโดยที่ไม่ได้เรียนตามธรรมคาสอนพระพุทธเจ้า บางคนก็ถูกบางไ้ถูกบางที่ถูกก็เป็นไปแ็ เ, ปเรียบร้อยถ้าไม่ถูกก็ข้างๆกะขายอยู่ตามขนาดนี้ น, นี่ธรรมะคำสอนพระเจ้าอยู่ทั่วไปหมดใครจะเรียนมาเรียนก็นทั่วกันหมดทั้งโลกอันนี้คือพระองค์เทศของจริงมันจริงอยู่อย่างนั้นแหละ แต่ว่ามีใครบัญญัติถูกทุกนี้อยู่อย่างนั้นแหละสมมติไทยมีอ ย, มมอยู่อย่างนั้นแนละนิโรธมรรคไมีอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามีใครบัญญัติถูกบัญญตัตเป็นถูกเป็นบางอย่างประการพระองค์เป็นคนบรญญัติคนเดียวถูกต้องคนพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงแล้วยังค่อยถูก จึงว่าเกิดสีเกิดปฏิเวทดีกว่าถ้าเงิบัญญัติถุแล้วก็พระองค์บัญญัติเนี่ยพิแตกจากหมู่เพื่อนแตกพวกขวัคณะจาย์ทั้งหลายอย่างบรญญัติถึงเรื่องธาตุขันอาจารณะอินทรีย์อย่างนี้ของบัญญัติถุ บัญญตัตสิ่งที่บัญญตัตเรียกว่าบัญญตัตโดยพระองค์เองขึ้นมาไม่มีใครเป็นผู้ปรึกษาหรือไม่เหมือนกับเขาบัญญัิกฎหมายทุกวันในนี้หรอกมีสมาชิกสภาผู้แทนนั่นตงต่างเยอะแยะบัญญตัตไปหน่อยกระลม่มบัญญตัตขึ้นมาใหม่อันนั้นตั้งแต่สอง0ันกว่าปีมาแล้ว ตา้ตัวอยู่อย่างนั้นเพราะองค์คนองค์เดียวบรญญัติบรญญตัติและไม่มีใครด้วยที่จะบัญญัติอย่างนั้นธาตุท่านเรียกว่าธาตุอะไรจะเรียกกะธาตุถูกต้องตามนี่เขาเรียนกับทุกวันเรียกกับวิทยาศาสตร์ไม่ผิดจาก ต่นจริงเลยธาตุคือจริงที่เป็นอยู่สภ า, าวะเป็นอยู่ทันเรียกว่าธาตุธาตุดินนั้งเป็นอยู่อย่างนั้นทำไมเปลี่ยนแปลงไปไหนถ้าน้ําก็เป็นอยู่อย่างนั้นเปลีป่ยนแปลงไ ป, ปไหนธาดินถ้าตุในธาตลมธัตไฟก็เป็นอยู่อย่างนั้นไปหาดูเถอะในศาสนาทุกศาสนาไม่มีแล้ว นี่ศาสนาพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติแล้วก็เห็นด้วยมันก็เป็นจริงด้วยทา่าใดเป็นของแข็งแข็งอันนั้นเรียกว่าทา่าดิบทา่าใดอันใดเป็นของเหลวเรียกว่าทาตาน้ำทา่าใดที่ปั่นป่วนไปมาเรียกว่าทา่าลมความุบอุ่นเรียกว่าทา่าไฟ กินควงคั่วพูดถึงเรื่องสีงนะงง่อย่างในกินควงคั่วมากเช่พวกวิทยาศาสตร์การเรียนอะไนี่ตามนั้นอ่ะขันเข้าไว้กันขันหา่าแปลว่ากองแปว่าโมแปลว่าหมดวหมดลูกกระขันอันไดนที่ปลากฏขึ้นมาเรียกกระลูกกรขันปรากฏแก่สายตาเรียกกระลูกขันทั้งโลก ถ้ารวมเรีย ก, กว่าลูกขันทั้งนั้นเสนาสัญญาสังขารนิยามเป็นนามคือจับไม่ได้จับมาให้กันดูไม่ได้งเรีย ก, กว่านา้ำพูดทั้งเรื่องจิตอาการนี้ขณะเ ร, า พ, เร า, าพูดถึงเรื่องจิตพระองค์พูดทั้งเรื่องจิตทุกศาสนาพูดทั้งเรื่องจิต แม้แต่โลกของเราทั้งทั้งฟวงมดใครๆก็พูดถึงเรื่องจิตแต่ไม่เห็นจิตสักทีะองพูดได้อากมาพูดได้เป็นตนเป็นตัวได้แล้วใครปฏิบัติตามนั้นเห็นด้วยเมื่อสำเร็จบางคนที่พังเห็นด้วยตนเองเขาพูดสู่กานฟังไม่ได้ พูดได้แต่เสียงอุปมารประหมายเปรียบเทียบคอยเห็นแต่ว่าผููสําเร็จเมื่อผลนิพพานแล้วเห็นด้วยกันพูดได้ไม่ได้เรียกว่าจิตนีอะไรที่อาจารย์มาพูดว่าปฏิบัติเทก็ก่อนจึงค่อยเป็นปฏิเวทถึงไม่ถึงปฏิเวทเมืเ่อถึงปฏิเวทได้จึงพู่าบัญญัติ แต่ว่าคนพวกเรียนเราทั้งหลายสมัยเดวนี้จะปฏิบัติจะเรียนปฏิเวทให้ได้ ก, ก่อนห้่องแค่วจดจำได้ดีเสียก่อนยิงค่อยปฏิบัติตามนั้นแล้วยงถึงปฏิเวทไม่มีวันปฏิบัติไปไปแต่เดียวเลอเววะเหลวหมดเมื่อไม่เห็นของจริงเล้วไม่เห็นปฏิเวทมันก็เลยเลอะเหลวอ่อนใจทอแท้ เรียนไม่สําเร็จทักทีเรียนถึงประโยคเก้ากว่าสาที่เรียกว่าสําเร็จสําเร็จในพุทธศาสนาเรียกวิทยาลัยในศาสนาแต่ว่ามันไม่สําเร็จอันพวกใจญ่นั้นไม่ถึงไม่ถึงเก้าวันที่ละใจญ่นันไม่เห็นของจริงขึ้นมา เ, นเลือเล่อนเดี่ยวั๊ด เหตุนั้นการที่จะเรียนพระธรรมคำสอนพระเจ้าต้องเรียนไปโดยลำดับต้องปฏิบัติโดยลำดับถ้าเรียนไม่ปฏิบัติไม่เป็นผลสำเร็จรเลยท่าหนหลวมาเปรียบเหมือนกับโคนายโคบาลเป็นคนเลี้ยงนัวให้เขาแต่ว่าไม่ได้กินนมสักที ในการที่เรียนมากยังไม่หนาทีซ้ำพระพุทธเจ้าเทศนาโพธิระคือว่าเรียนคำพีเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรแกตัวเองต่อเมื่อปฏิบัติราคานี้ปฏิบัติได้อะไรรู้อะไรเรียนอัไนั้น ไ, ได้ปฏิบัตินั้นก็ยังเป็นประโยชน์ แค่คนธรรมดาสามัญชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละที่ไม่ได้มีการศึกษาไเลยเขาบอกบอกเขาว่าให้ทําทานการกุศลเขาก็ตั้งเจตนาทําทานในกินและไม่ได้สอนให้เขาเกิดศรัทธาเรื่องใส่ียด้วยเขาเรื่องใส่เองเขาคอยใจเรื่องใส่เองทําบุญทําทานให้ศาสนา เขาไปเห็นผลให้ประโยชน์ได้ความสุขกายสบายจิดตรงเขาอันนี้ไม่มีการเรียนเก็เองเป็นเองของเขาที่ปริยาตินั่นคตทางนั้นชินนั่นสมาธินั่นอะไรเงั้ไพมากหมายฟ้องกลองเรียนลำดับไปแต่ว่าความเชื่อคือศรัทธาไม่มี้ การรักษาสินชีวิตวิรติงดเว้นก็ไม่มีแต่ปัญญามันก็ไม่เกิดนีการทำทานที่ไม่ไม่มีการศึกษาเราเรียนอะไรแล้วการรักษาศีล น, นะฝ่ายมันจะมาเคยไปอยู่ไปอยู่กับคนป่าพวกมูอเสือแจ้าก่อนไม่มีใครอยู่ด้วยทัย้งไม่ไมีใครไปประเทศอะไรเขาฟังแล้วแต่เขารักษาศีล ที่แต่เขาก็เคยก็เยเค ย, เคยรักษาผู้เฒ่าผู้แก่ชิ้นหาเขาเคยรักษาเพียสุดจริงๆถ้าใครไปสอนเขาเขาเกิดเองเป็นเองของเขาแต่มันถูกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่านี้อดตะวเป็นของประจาใจของเขาอยู่เขายังมีศีล ภาสามมคีฟองดองกันเป็นเองของเขาโดยที่ไม่รู้จักว่าสามมคีคืออะไรถ้าหากว่าใครอยู่ในหมู่ในคณะเป็นคนทะเลาะอิวาดหมู่เพื่อนกับชาวบ้านชาเมืองผู้ใหญ่บ้านเขาตักเตือนได้ฟังเขา จะต้องหนีจากมาันให้มันอยู่คนเดียวคนเราเดินไปตามป่าไปตามเขาเห็นหมูได้เห็นบ้านใดนถ้าเห็นหลังคาเรือนหนึ่งเออหลังคาเรือนหลังเดียวเพื่อสองหลังเราวมไม่ต้องถามเขาแล้วแน่นอนที่สพดคนนั้นมนันไม่เข้ามันเข้าหมูไม่ได้นี่เขาไม่รู้จักสามัคคีกองปองดองสามัคคีมอนกัน แต่เขาทำถูกเรื่องการรักษาจิตที่พูดให้ถึงเรื่องการรักษาจิตและการพ่อนานแล้วไม่ต้องพูดละมันไก่ทักเรื่องทั้งวงมดศาสนานี่สรุปรวมมันว่าพูดถึงเรื่องใจ พูดถึงเรื่องจิตพูดั้งเรื่องจิตทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องจิตศาสนาอื่นก็มีบ้างแต่หากไม่รู้จักจิตของตนเหตนนั้นเราเป็นชาวพุทธควรที่จะให้รู้จักจิตของตนจิตคืออะไรเป็นยังไงให้รู้เรื่อง อย่างการทำทานนี่จะเรียกว่าจิตเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องของของจริงแล้วพูดถึงเรื่องจิตมีจิตศรัทธาเรื่อมใสภาษาท่าศรัทธาเรื่อมใสภาษาท่ากระดูกก็เรื่อมใสศรัทธาจิตจิตจะศรัทธานั่นเองสิ้นก็วิรยติงดเว้นจากโทษนั้นนั้นเขาเรียกว่าสิ้นสมาธิคืออบรมใจ ให้อยู่เป็นหนึ่งลงเป็นเอกะตายจิตปัญญาคือความรู้รอบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้สิ่งสารพัิทั้งหลวงมด็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมีพูดถึงเรื่องใจแท้ทิ้งว่าถ้าจะเรียนศาสนา ถ้าไม่เรียนเข้าถึงใจได้ไม่ถึงศาสนาสักทีศาสนาที่สอนถึงที่สุดคือใจไม่เหมือนกับวิชาทั้งอื่นวิชาด้านอื่นๆนั้นสอนยิงกง้้งแล้วมาเข้าถึงใจสักทีถ้าสอนด้านศาสนาแล้วเข้าถึงใจทุกอย่าง เราจะต้องเรียนที่จะเราที่จะต้องศึกษาอย่าไปทิ้งใจจิตนั้นหนึ่งใจหนึ่งอีกท่างกับพูดเหมือนกันเลยจิตอันใดใจอันนั้นใจอันจิตอันนั้นก็เหมือนกันท่างพูดเมืเดียวกันนะแต่ว่าจิตมันมีลักษณะอย่างหนึ่งใจ ม, มีลักษณะอย่างหนึ่งมันมีลักษณะต่างกันพูดถึงเรื่องใจนี่โอ้ยมากมาย พูดเรื่องจิตสามากถไว้แต่ก่อนได้คําก่อนคําเพลงก็ยังพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจทั้งนั้นแต่ว่าใจอยู่ไห น, นกันกันไม่รู้เรื่องในที่นี้จะบอกให้รู้เรื่องเสีว่าใจคืออะไรจิตคืออะไรนั่นใจคือผู้เฉยเฉยรู้ตัวอยู่ รั่วเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกท่า น, น, นเรียกตัวใจจิตขานี้มันคิดนึกอะไรานี้มันคิดมันนึกมันฟงมันแต่งฉายาหลวงปว่อมร้อนนั้นเรียกว่าจิตจิตคือผู้คิดแกนเดียกวกันนะเนี่ยนึกกัไฟเนี่ยความมืดก็เรียกว่าไฟแสงสว่างก็เรียกว่าไฟและงับบันเทาความมืดก็ได้ก็เรียกว่าไฟ นันเดียวกันนั้นแหละถ้าหาว่าจะรู้อยากจะรู้ตัวใจจริงๆคราวนี้เราดูเรารู้ได้ขนาดนี้แหละเหตุทำเดี๋ยวนี้แหละรู้ได้เลยเรากลันล้นลมหายใจสักคึ่งมืไม่คิดละเฉย น, นั่นแหละตัวใจตัวที่เฉยนีน่ตัวรู้ตัวที่เฉยนั่น ครันนี้ทำอีก ไ, ไม่กลั้นอมหายใจแล้วคันมันคิดมันนึกมันสงสยัยมันคิดอะไรแค่แปดตอนเก้าแม้แต่หลับตัวหลับไปแต่ตัวจิตมันไม่หลับยังตรุงยิ้มแตงอยู่คื้นฝันจิตมันในจิตมันหลับไม่เป็นถ้าให้เขาให้เปล่นเจ็บก็ไม่รู้จักเจ็บ อันที่มันเจ็บนั้นพ่ออ่อนไปยึดไม่ยังเครู้จักเจ็บถ้านไปยึดยังไม่รู้จักเจ็บอย่างผู้ทำสมาธิแนวเนี่ยเต็มที่ยึดทำให้ไม่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องผมยึดผมถือในจริงต่างไม่มีเจ็บหรอกอย่างให้เข้านิโรธธรรมบัติไฟเผาใหม่ๆซ้ําอีกแค่ฆ่าก็ไม่ตายนั่นแหละ มันไม่มีเจ็บอย่างนั้นไม่ไม่มีเก็บอย่างนั้นข้าก็ไม่ไม่ตายเพื่อให้รู้จักใจเี่ะในคณะที่เราคิดเรานึกเราปรุงมาแต่งนั้นเรียกว่าจิตทั้งเมื่อไม่คิดไ ม, ม่ปรุงมาแต่งมีแต่รู้สึกเฉยเฉยเรียกว่าใจเราเข้าใจตรงนี้ลหละให้เนี่ยแน่เต็มที่ดีวกว่า้าคาหนี้ เ่อนอะไรอยงหมดมันคิดมันสงสัยเกิดโทสะมาทิฏฐิท่านเรื่องใจทั้งหมดเราเข้าหาหลักตัวจิตในตัวใจนั้นสิตทั้งหมดเราเข้าหาตัวใจก่อ น, นีเลยวางเฉยตัวใจแทนมันเฉยการลงมาใจมีประโยชน์มากเหมือนกันนะเราเห็นใจแล้วมีประโยชน์มากแล้ว เยอะมากๆหรือกั้นลมหายใจก็หายค่อยๆแล้วนับไปในข้งหน้าที่กั้นลมหายใจบางทีมันเกิดโทษสามหนา้าลองกงั้นลมหายใจลองดูอาจจะดีก็ได้อาจจะค่อยหายไปก็ไ ด, กได้เรือกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาลองกงั้นลมหายใจลองดูอาจจะหายก็ได้ นี่แหละเรื่องเรียนพุทธศาสนาไม่ต้องเรียนอื่นไใจเรียนเข้ามาหาใจท่ากำหมดเรื่องพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายก่อสอนถึงใจนั้นถึงที่สุดของคิตใจเรียกว่าไอพุทธศาสนาสอนสุดเพียงแค่ใจเท่านั้นแต่ว่าเราเนยยังทำไม่ถึงนั่นสิ เราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตอนนี้ให้มันถึงที่สุดมันยังจะสุดพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้เอาละอธิบายกันนี้ใครมีความรู้อะไรบ้างมีสงสัยอะไรก็ขอให้พูดขึ้นมามีเวลาน้อย การที่จะได้ฟังและในการที่จะได้เหตให้ฟังมีเวลาหน่อยถามทุกป่วยนิดหนึ่งจิตกลับใจจิตเป็นตัวจิตใจเป็นเป็นตัวนิ่งใช่ใจจะเกิดหลังจักปฏิบัติเราปฏิบัติทุกอย่ใช่ใจไม่ใช่มันเกิดใหม่ของเก่ากันละของมีอยู่แล้ว ตังภัทรังกันวังแต่ท่านเรียกว่าจิตธ่ามเรียกใจจิตตางอภัทรังอาคันธุกเกติเรสิท่านผัวที่เละมันเกิดมาใหม่มาจอนมาตังหากแต่ใจแท่ น, นปสนของเดิมไม่มีรอกกิเลสทั้งวัความข้อนี้ต้องใสยกันมาก บรรดานักเรียนทั้งหลายงสงสัยกันแทบทุกคมไปเป็นของป้องใสทใําไมต้องปฏิบัติทําไมต้องชําระรักษางันข้องใสหรอกขรองใสตามธรรมชาติเท่าว่วานข้องใสตามธรรมชาติธรรมชาติของมันนั้นขรองใสอยู่เพียงแค่นั้นไม่ใช่ข้องใสบทจบบจริสุทธิจริงๆหะไรอย่าง ธรรมชาติมันนับความใสอย่างนั้นถ้ามันฟองใสแล้วทํายังไงยังไงมันก็ไม่องใสราไปจําานยังไงมันก็ไม่ฟองใสของสปกปรกของไม่สะอาดเช่นดินเผาพอดีวิลเล็กอรงนี้พอดีถ้าไปทำยังไงมันจะสะอาดมันจะฟองใสถ้าเป็นความฟองใสแต่เดิมแล้วนั่นช่างเพชรนินจินดาแล้ว ไปล้างไปเช็ดเามันก็คองใสสอาดนั่นแหละธรรมชาติเขามันคลองใสนะแต่ว่าเพื่อจะใช้ได้จริงจริงจริงมันต้องชําระด้วยด้วยปัญญาต้องชําระด้วยปัญญาจริงสะอาขคลองใสวัตถุหมดจบจริงจริงจริงอันหนึ่งใจอันหนึ่งอาจารมาพูดอันเดียวอะไรอาจารย์พูดกันเดียวกันนะ แต่ลักษณะมันต่างกันมันต่างกันด้วยการอย่างว่าดมันนะเนี่ยเมื่อมันคิดมันเล็กมันปรุงมันแต่งแล้วทุกอย่างสัญญาลงนะผมว่หมันยังค่อยเศร้ามองใจัค่อยเศร้ามองความคิดความเล็กความปรุงแต่งนี้แหละให้เกิดปัญญาถ้าไม่คิดไม่เล็กไม่ปรุงม่แต่งมันก็ไม่มีปัญญาเหมือนกัน ของไม่ดีอยู่ของดีอยู่แล้วกัของไม่ดีท่านบอของไม่ดีให้ดูเหมือนแก้วของเรานี้แล้วด้วยปัญญามันดาขี้เลศทั้งหลายเป็นของไม่ดีแต่ว่าขี้เลศทั้งหลายนั่นน่ะเป็นเหตุนในเกิดปัญญาอุบายใจนั้นไม่มีอะไรหรอกเฉยเฉยอันนู้นไม่ได้มีอะไรหรอกนะ ปัญหาไม่มีตอนนั้น